เคยฟังก็จะง่ายถ้าใหม่เลยนะไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินก็เข้าใจยากนิดนึงส่วนมากการสอนกรรมฐานทั่วๆไปจะสอนรูปแบบของการปฏิบัติที่ไหนสอนเดินก็เดินสอนนั่งก็นั่งที่สอนหายใจสอนทำจังหวะเป็นเรื่องของรูปแบบหลวงพ่อไม่ได้สอนรูปแบบสอนหลัก แต่เรารู้หลักแล้วเราจะใช้รูปแบบอะไรก็ไปดูเอาเองให้มันหมอะกับตัวเองบางคนก็สงสัยนะว่ามาเข้าคอร์สที่นี่แล้วทาไมไม่เห็นพานั่งสมาธิเดินจงกรมคอร์สที่อื่นเขาก็พานั่งพาเดินไม่ได้พานั่งพาเดินหรอกพ่อแม่เราพามาตั้งแต่เล็กๆแล้วพาเรานั่งพาเราเดินมาแต่เล็กๆแล้วตอนนี้มีเกจท่า นั่งก็นั่งอย่างมีสติเดินก็เดินอย่างมีสติไม่ใช่เดินจ้องเดินเพง่งไม่ใช่นั่งเพง่งนั่งจ้องอะไรเงี้ยด้วยนักปฏิบัติจํานวนมากเลยเข้าไม่ถึงแก่นของการปฏิบัติไปติดอยู่ที่เปลือกก็ไปเพง่งเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัติคือนักเพง่งรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจรู้ขยับมือทําจังหวะก็เพ่งมือ เดินจงกรมพเพื่อเพ่งเท้าดูท้องพองยุบไปเพ่งท้องพุโทโธพุโทโธไปเพ่งจิตมีแต่เรื่องเพง่งแล้วเพ่งมันก็ขึ้นเดินปัญญาไม่ได้เทีงแล้วมีครูบาอจารย์องนะชื่อหลวงพ่อคําเขียนภาวนาดีมากเลยตอนนี้เป็นมะเร็งพูดไม่ได้แล้วท่านเขียนท่านพูดไม่ได้ท่านเขียนได้ท่านบอกว่า พระไม่ค่อยทําวิปัสนาไม่ค่อยได้ทําวิปัสนาจริงๆไม่เฉพาะพระโยมก็ไม่ค่อยทํานักปฏิบัติมีมากนะแต่คนทำวิปัสนาจริงไม่ค่อยมีหรอกการบรรุมรรคผลเลยเป็นเรื่องเหลือวิสัยที่จะทําได้ถ้าทําวิปัสนาเป็นมรรคผลนิพพานจะหนีไปไหนเป็นไม่เป็นอยู่ที่ว่าจิตมันถูกไหม ไม่ใช่นั่งท่านี้แล้วมันจะเป็นวิปัสนากําหนดแบบนี้เป็นวิปัสนานะกําหนดเรื่เพลงทั้งนั้นนหละกำหนดแปลว่ากดเอาไว้ข่มเอาไว้ไม่ใช่รู้อย่างที่มันเป็นยหลวงพ่อเลยไม่ได้ทําเหมือนเหมือนกันนะว่าทุกคนต้องเดินเหมือนกันนั่งเหมือนกันแต่และคนขาไม่ไดไม่เหมือนกันเลยบางคนขาสั้นข้างยาวข้างต้องเดินท่าเดียวกันมันก็เดินไม่ได้นะ ก็เดินท่าที่เราถนัดนะเดิเดินด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายเป็นเดินใจเป็นคนดูร่างกายนี้ไม่ใช่เราถนัดรู้ลมหายใจใไปเพ่งลมหายใจเกือบร้อยละร้อยไปเพ่งลมหายใจใจกระทอ้นแข็งใช้ไม่ได้ครูเจ้าไม่ได้สอนให้ไปเพ่งตัวลมหายใจท่านให้รู้กองลมหายใจตัวเนี้เราจะเป็นผู้รู้กองลมหายใจตัวเนี้ตัวนี้ทั้งตัวนี้แหละกองลม อะไรเรียกว่าลมความตึงความไหวนะเป็นกองลมรู้สึกมันทั้งตัวนี่แหละนอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจแนละ้วเราไปจ้องใส่ลมหายใจนะใจจะแข็งแข็งเครียดเครียดแต่ถ้าเราทำใจสบายเราเห็นร่างกายหายใจใจจะสบายปลอดโปร่งนะแล้วเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราจนะไม่เหมือนกันหรอพวกเราลองทดลองนะ ใช้ความรู้สึกตัวที่มีอยู่ตอนนี้รู้สึกอย่างธรรมชาตินี่นะ <S <S <ess> เห็นร่างกายหายใจไม่ใช่ดูที่ตัวลมนะแต่เห็นทั้งตัวนี้มันนั่งหายใจอยู่ลองดูร่างกายนั่งหายใจสิใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆเห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆไม่เพ่งแล้วค่อยๆรู้สึกไปร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้า มันไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้างี่ยเราพยายามรู้สึกตัวนะหายใจไปก็รู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจไม่ชอบรู้ลมหายใจชอบรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูอยุดห่า ง, างนะดูสบายๆดูด้วยใจที่สบายเคล็ดลับอยู่ตรงที่ใจสบายแล้วรู้สึกตัวนันะ่นแหละความสุขความสบายนะนะั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ ใจที่มีสมาธิสบายมีความสบายสบายรู้ไปสบายสบายถ้าใจซึมซึมเครียดเครียแข็งแขนะ็งนั่นเป็นมิจฉาสมาธิไปหมดนะเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะไม่ได้ทําวิปัสสนาได้จริงใจเครียดเครียดซึม ซ, มซึมทื่อทื่ไปเท่านั้นเองไม่เดินวิปัสสนาถ้าเดินวิปัสสนาได้อย่างเรารู้ร่างกายก็เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนพระร่างกายสุขทุกข์ไม่ใช่เราสุขทุกข์ถนัดดูจิตดูใจก็เห็นจิตใจเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยเ่มีแต่ของไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะหมุนไปเรื่อยเดี๋ยวสงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านนะเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายอย่างเงี้ยเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้มันเป็นเอง สุขมันก็สุขเองทุกข์มันก็ทุกข์เองดีมันก็ดีเองช่วมันก็ช่วยเองสั่งมันไม่ได้ไอั น, นี้เรียกเห็นอนัตนนตานะถ้าดูร่างกายก็เห็นไปนเลยเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราดูจิตดยใจเป็นตัวไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ค่อยรู้ค่อยรู้สึกไปเมื่อสักสามสิบปีก่อนหลวงพอ่อพอนเป็นแล้วละ่ะปีห้า ไปหาลงปูดุลตั้งแต่หกกุมภานะแล้วพอนายอยู่เจดเดือนแล้วออกไปเที่ยวดูดูคนอื่นปฏิบัติบ้างนะเพราะว่าเกือบทั้งหมดนะ น, นะดูท้องพองยกคก็ไปเพ่งท้องขยับมือเขาไปเพ่งมือรู้ลมหายใจเขาไปเพ่งลมหายใจเหมือนกันหมดอนะ่ะที่ไหนที่ไหนมัน ม, มีแต่เพ่ง นี่หลวงพ่อเคยทำสมาธิมาแต่เด็กรู้เลยเพ่งนี่ไม่ได้อะไรได้แต่สงบนะในใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนรู้ที่สบายๆาลนะมันถึงจะเห็นความจริงร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เรานะร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราไม่ใช่คิดเอานะมันรู้สึกเอานะหรือความสุขความทุกข์ความดีความชั่วนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ไดนะ้มันเห็นเอามิปัสสนาไปว่าเห็นนะ ปัตสนะแปลว่าการเห็นไม่ใช่คิดเอาคิดเอาเป็นวิตกเพราะไม่ใช่คิดเอาแล้วไม่ได้เพ่งเอาด้วยแต่เห็นเอาเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทางานเราเป็นแค่คนเห็นไม่ใช่คนแสดงเป็นคนเห็นเท่านั้นเองเป็นคนดูไม่ใช่คนแสดงเนี่ยฝึกเลื่อยไปนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เห็นร่างกายมันทางานใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆฝึกไป หรือสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ไปด้วยเห็นมันเกิดแล้วดับไปเรื่อยๆฝึกไปอย่างนี้แหละแต่ถ้าดูจิตดูใจไม่ออกก็ดูกายดูจิตก็ไม่ออกดูกายก็ไม่ออกคราวนี้ถึงเวลาทำความสงบถึงเวลาทำสมถะละจะถนัดสมถะแบบไหนก็เอาแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนพุโทโธแล้วมีความสุขก็พุโทโธไปพอมีความสุขจิตก็สงบ บางคนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจไปจิตก็สงบคนขยับมือแล้วมีความสุขจิตก็สงบทำถูกมันถูกเหมือนกันหมดนะทำผิดก็ผิดเหมือนกันหมดอยา่อยางหลวงพ่อคำเขียนฝึกมาคนละแนวกับหลวงพ่อหลวงพ่อคำเขียนฝึกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนฝึกขยับหนึ่งเนี้ ย, ยเจอหน้าหลวงพ่อนะตอนท่านยังพูดได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลจุฬา เจอหน้าหลวงพ่อท่านยกนิ้วอย่างเงี้ยเหลือคนเดียวแล้วอาจารย์ประโมทไม่มีใครสอนอย่างนี้แล้วเนะพราะผมไม่ได้สอนแล้วเนะหลือตัวคนเดียวแล้วนะต่อไปนี้อาจารย์ประโมทผมไม่ได้สอนแล้วสบายแล้วคนสอนกรรมาฐานตั้งเยอะทนะ่านบอมีหนึ่งนะไม่ได้สอนให้รู้เนื้อรู้ตัวนะ ส่วนเดชสอนพอพอพอ เ, อเอพ่งเพ่งเงาพยายามรู้สึกนะตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาเห็นกายทำงานเห็นใจทํางานไม่ใช่เราหรอกนะฝึกไปเรื่อยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็เดปีบางคนเจดวันบางคนเจ็ดเดือนบางคนเจปีบางคนเจชาติเจดชาติน้อยนะเจดชาติน้อยหลวงพ่อเคยถามพระวงค์หนึ่งนะท่านมีฤทธิ์เยอะชื่อหลวงพ่อกิมรศิลลงปดูล ชื่อท่านไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะไม่ได้แปลว่าทองทนะ่านไม่ใช่คนจีนคนกัมิคนสุริ น, น, นชื่อหลวงพ่อกิมเอาหลวงพ่อครับสำหรับคนหัดใหม่เนี่ยหัดภาวนาเนี่ยยังไม่เคยหัดมา ก, ก่อนเลยใช้เวลานา น, านไหมครับกว่าจะได้มากผลอะไรเงี้ยได้โสดงโสดาอนะไรเงี้ยโอ้ยไม่นานหรอกพระโมทเราดูไปตั้งเยอะนะไม่นานหรอกไม่เกินเจ็ดชาติ ก็เจ็ดชาตินานนะครับไม่นานลองระ ล, ลึกภาษาเกิดมาตั้งกี่แสนชาติแล้วเจ็ดชาตินิดเดียวไอ้ที่ก่อนหน้าเนี่ยหลงไปเรื่อยๆนะที่มารู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยนิดเดียวนี่ถ้าพวกเราเคยมีบารมีเก่านะมารู้สึกตัวบางคนอาทิตย์เดียวเองเข้าใจแล้วเห็นแล้วตัวเราไม่มีบางคนสักเจ็เดือนก็เห็นแล้วตัวเราไม่มีนะ ช้าหน่อยแค่เจ็ดปีเห็นว่าตัวเราไม่มีถ้าช้ากว่านั้นแสดงว่าทํามาอย่างน้อยอย่าไปท้อใจนะคนอื่นเขาเร็วกว่าเราก็ช่างเขาเถอะการทุ่มมรณากับเขาเขาเร็วสาธุไปเลยนะถ้าใครเขาดีกว่าเราแล้อิดฉาไปเรื่อยเลยพวกเรายิ่งช้าหนักกว่าไปอีกนะเวลาส่งกันบ้านเขาได้ยินเขาส่งกันบ้านใครอิดฉาบ้างย้อมือสิมีไหมสาธุดีไหมเนี่ย <c oughs> สาธุก็ได้ดีที่รู้ทันว่าขี้ฉา นะอิจฉาไม่ดีหรอกอย่างเขาพ่อนาดีเราอิจฉาเขานะบาบกรรมเดี๋ยวเราพอนายากต้องดีใจกับเขาสาธุดีจังเลยไอ้ <c oughs> อย่างนี้ก็ยากเหมือนกันนะนะ <c oughs> หัวล้อแล้วรู้สึกไหมใจคลายออกเนี่ยรู้สึกไปเห็นตัวอะไรหัวล้อไหมเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นหรอกเพราะมัวแต่เพลินในเรื่องราวเพลินในเรื่องราวที่หลวงพ่อเล่าตัวนี้นั่งหัวล้อไม่เห็นนะ ห้าปากหัวเลยเมงวันหนีเข้าไปสองตัวก็ไม่เห็นนะนะมีความสุขรู้สึกไหมเห็นไหมมันมีความสุขแค่นี้แหละที่เรียกว่าดูจิตเห็นไหมความสุขมันเริ่มเปลี่ยนเป็นนิ่งๆแล้วรู้สึกไหมเนี่ยมันแสดงว่าไม่เที่ยงง่ายแค่นี้แหละอย่าไปนึกว่ายากนะคิดมากยากนานนะส่วนมากที่ว่ายากๆนะเพราะเข้าไปแทรกแซงจิตไม่สงบจะให้สงบเนี่ยยาก ไปแทรกแสงจิตไม่ดีจะทําให้มันดีนะี่ยากเพราะแทรกแสงจิตไม่มีความสุขจะทําให้มีความสุขนะี่ยากเพราะแทรกแสงแต่ถ้าเรารู้อย่างที่มันเป็นไม่ยากหรอกมันรู้ได้ตลอดอะ่นะมันจะสุขก็รู้ทุกก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้แล้วเห็นนะไปเรื่อยนะต่อไปไม่เห็นอนะ่ะสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปดับไปเจดวัน7ดเดือน7จ็ดนปะีบารมีพอก็ได้โสดา น, นี่ต่ําแล้วนะ ถ้าไปดูในพระสูตรนะมหาสติปทานสูตรนะเจ็ดวันเจ็ดเดินเจ็ดปีบรรลุพระอรหันต์นะหรือเป็นพระนาคางั้นพวกที่มาเข้าคอร์สอย่าสงสัยนะทําทไมไม่พาเดินทําไมไม่พานั่งทำไมไม่พาร้องเพลงไม่พาทำนึงนู้นอย่างนี้นะทำอะไรก็ได้นะที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยทำด้วยความมีสตินั่นแหละปฏิบัติเห็นกายมันทําเห็นใจมันทํำไม่ใช่เราทํา นั่นแหละเรียกว่าเจริญปัญญานะเอาส่งกันบ้างให้คนอยู่วัดก่อนตามตามที่แผนหลวงพ่อให้ดูจิตด้วยหมายความว่าให้ผมมีกายเป็นวิหารธรรมแล้วกม็มันจะเห็นจิตเองแหละมันจะเห็นจิตเองแล้วเห็นจิตเองครับออที่ดูกายเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นจิตนะดูจิตเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นธรรมธรรมะเกิดกับจิต กุศลเกิดที่จิตองังกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุล น, นะว่าหลวงปู่ครับผมไปที่ไหนที่ไหนนะได้ยินครูบาอาจารย์สอนสอนคนอื่นนะให้ดู ก, กายมิแต่กายทั้งนั้นเลยผมต้องดูกายไหมหลวงปู่หันมามองด้วยสายตาสลดสังเวชนะท่านก็เลยบอกให้ว่าเขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตก็เราถึงจิตถึงใจแล้วเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้ง กายนะดูง่ายนะหลวงพ่อนอนหลับเนี่ยร่างกายกระดูกกระดิกรู้หมดเหรอไม่เห็นจะยากอะไรเลยไม่มีเรารมันกระดูกกระดิกของมันเองนะมันเมื่อยมันก็กระดิบสงสารมันนะมันเป็นสัตว์ที่น่าสงสารมากเลยร่างกายเนี่ยดิ่นกระเดกกระเดกกระแดกทั้งวันเลยหายใจเพือเๆืมันกลัวตายนะขอย้อนมาสังเกตกายสังเกตแจของเราบ่อยๆนะ ไม่งันเดี๋ยวมันเพลิอนอยู่ข้างนอกว่างๆโล่งๆสบายจะติดแต่ความสุขไม่ยอมดูกายดูใจนะค่ะก็มาอยู่วัดมันก็ลงร่องเดิมค่ะจะมีความโลภความจงใจก็ไม่เป็นธรรมชาติเห็นขันมันทำงานไปอยู่ที่การสะสมนะอยู่ที่สะสมนะสะสมพร้อมก็ผ่านแล้วล่ะค่ะลงห้อ วันแรกๆมันก็แบบจะเอาอะไรจะไปท้อใจสิค่ะไปท้อใจท้อก็ดูไปรู้ว่าท้อรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆค่ ะ, ะคือพอมันจิตตั้งมั่นขึ้นมันก็จะเห็นสภาวะทุกอย่างถูกดูอ่ะใช่มันถูกดูไม่ใช่เราหรอก<ช>ผ่านมาผ่านไปมันมีเคล็ดลับของการภาวนานนะอย่างถ้าเราภาวนาเป็นแล้วบางทีเราทุลรเยอะเลยนะ เรารู้สึกย่อหย่อนแล้วใจเราเสียใจเราฟุ้งไปเลยควาจริงไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยใจมันฟุ้งรั่วฟุ้งรู้ซื่อๆง่ายๆไม่ยากอะไรเกาะมันไม่เป็นกลางะคะ่ะ ม, มันไม่เป็นกลางแล้วมันสร้างเยอะด้วยค่ะมันสร้างาครับชับสร้างนะสร้างตัวปลอมให้ดูดีรู้ทันมันเข้าไปปอกเปลือกมัน คลใายๆฉีกหน้ากา ก, กตัวเองนะรู้ว่ามันแกล้งมีอะไรเพิ่มเติมเปล่าคะไปสู้เอานะอดทนหน่อยดูเข้าไปเรียนรู้ตัวเองให้มากที่สุดเลยเวลาเราเหลือน้อยดูให้มากๆมันเห็นแ น, น่นๆทั้งในอกครับถ้าแน่นเมื่อไหร่แสดงว่าบังคับมันนั้นง่ายแน่นมีสองอันนะ แน่นอันแรกเราบังคับไว้อีกอันหนึ่งแน่นเราไปรู้จิตคนอื่นก็แน่นได้นะเราก็ัวแน่นยังไงก็รู้ว่าแน่นไปอยากหายรู้ว่าอยากแล้วก็หายเองมันไม่เที่ยงไอ้แน่นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันบางทีมันดูไปแล้วมันก็ระเบิดออกมาเลยอเออมันระเบิดแล้วมัก็กลับไปแน่นเหมือนเดิมฮะมันก็กลับไปแน่นเหมือนเดิมอ่ะตอนแรกที่มันแน่นน่ะจงใจปฏิบัต ถ้าเราคิดถึงปฏิบัติเราบังคับมากว่าแน่นน ะ, ะต่อไปคือรู้สึกว่ามาอยู่แถววัดอ่ะมันจะมีความสุขแล้วก็ปฏิบัติได้ดีกว่าค่พาะพอกลับไปบ้านมันเห็นเลยว่ามันก็เออเอออยู่เป็นระยะค่ะหลวงพ่ออยากขอคนนนำนตือนเป็ดโทษว่าบ้านทำให้เออ <laughs> มาอยู่ตรงนี้นะแถวนี้มันแปลกใหม่มันไม่มีภาะระลุงรังในใจมันสบายอยู่บ้านภาระเยอะภาพเก่าๆความรู้สึกเก่าๆอะไรก็เยอะกวนใจต้องฝึกนา้าอยู่ตรงไหนก็ต้องทำให้ได้อยู่ตรงไหนก็มีความสุขเอาอย่างหลวงพ่อสิอยู่ตรงไหนก็มีความสุขนี่ไปยุโรปมานะสอนเสร็จเข้าห้อง ไม่ไปไหนเราอยู่แตใน ห, ห้องมีความสุขอยู่ทรงไหนก็มีความสุขนะอยู่กับคนเยอะๆก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่ที่ใจเราใจเรารักอันนี้ใจเราเกลียดอันนี้เรารู้ทันนะใจมันรักอันนี้รู้ทันใจมันเกลียดรู้ทันยินดีย้นายนะ่ะเรารู้ทันไปเรื่อยแล้วต่อไปเป็นกลาง เพ่งน้อยลงนะเจ้าคุณหอแต่มันพร้อมที่จะหลงโลกไปอีกแล้วเราก็จะไม่ชอบที่มันไปหลงโลกอเวลาที่เราเพ่งอยู่มันก็ไม่หลงโลกหรอกนะมันเป็นหลงโลกละเอียดข้างในโลกสงบโลกว่างไม่หลงโลกอยากพืงกามมันเป็นหลงโลกรูปรูปรโลกกับรูปรโลกไม่ได้หลงในกามนี่พอเราปล่อยออกไปเราไม่เพ่งมันมีข้อดีคือเดินปัญญาได้มีข้อเสียคือเสี่ยงกับการหลุดหลงโลกไปเลย เราต้องพยายามมนศัศการใส่ใจเรื่อยๆคอยรู้สึกดูความรู้สึกของเราเรื่อยๆดูกายดูใจเรื่อยๆนะใส่ใจที่จะดูอยู่กับโลกแล้วใส่ใจที่จะคอยรู้ของเราเรื่อยๆไม่เคร่งเครียดนะรู้อย่างที่เขาเป็นไม่ใช่รู้อย่างว่ามันต้องดีด้วยเห็นหน้าคนนี้เกลียดไม่ต้องบอกว่าไม่ได้ฉันต้องเป็นกลางไม่เกลียดเขายิ้มอย่างนี้ไม่ได้นะเกลียดรู้ว่าเกลียดนะรู้ไปซื่อๆรู้ไปนะไม่ดัดแปลง สุดท้ายใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางอยู่ตรงั้นก็มีความสุขตอนนี้มันยังไม่กลางนันก็ทุกไปก่อนยุติธรรมนะยุติธรรมทีท่สุดเลยใจเราเป็นอย่างนี้เราต้องทุกข์ให้ใจเราอย่างนี้ใจไม่ทุกข์เราสั่งไม่ได้หลวงพ่อเมื่อก่อนไม่ชอบเลยนะต้องยุ่งกับคนนะีอย่างศูนย์การค้าอะไรเนี่ยไม่ชอบไปเดินตั้งแต่เป็นโยมโดยเฉพาะที่ที่วัยรุ่นเยอะนะเข้าไปแล้วเมา ไม่ต้องกินเหล้าหรอกไม่ได้กินเหล้านะเข้าไปแล้วโูหตาลืมไม่ขึ้นเลยใครเคยเป็นไหม <c oughs> เวลาไปเจอไอ้พวกหลงโลคแรงๆนะตาจะปิดให้ได้เลยแต่หลังมาสังเกตไม่ใช่ตาปิดหรอกใจมันจะตัดทิ้งเลยใจมันจะหนีหลบเข้าห้องไหนเดี๋ยนี้เจอเจอก็เจอนะเฉยๆอยู่ที่เราฝึกอ่ะอย่าหนีมันส่งกันบ้านหลวงพ่อนาเลยครับ ก็คือไอ้ที่เข้าใจว่าที่ภาวนาผิดผิดไปอย่างเงี้ยที่เคยไปติดติดก็รู้มากขึ้นเ อ, อแต่ว่าคือไม่แน่ใจว่าเราย่อหย่อนไปหรือเปล่ารู้สึกว่ามันมันแรงมันไม่ค่อยมีมัน<ท>เวลาดูแล้วมันไม่ค่อยทำทำไ ป, ไปสม่ําเสมอนะทําทุกวันดูบ่อยๆนะไม่ต้องเร่งหรอยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าแต่ว่าดูบ่อยๆ เห็นร่างกายมันทํางานเร่างกายมันพูดครับเนี่ยใจมันอยู่ต่างหางนะเห็นร่างกายพยักหน้าใจมันอยู่ต่างหางแต่เราไม่ได้จงใจแยกเอาใจไปอยู่ต่างหางนะมันเป็นเองถ้าจงใจแยกไม่ได้มันจะแน่นไปพอน่าต่อไปครับผมขอบคุณครับท้อใจก็ได้นะแต่ไม่เลิกท้อก็ดู คือมันรู้สึกว่ามันช่วงก่อนหน้าที่มันจะแย่ไปครับมันดีกว่านี้โถคิดถึงอดีตอดีตนั้นรุ่งเรืองปัจจุบันนั้นรุ่งริ่งใช่ครับรู้สึกว่าตอนนี้มันจะมันแย่กว่ารู้ลงปัจจุบันไปสิแล้วดีดีไม่ดีในการปฏิบัตินะไม่ใช่ว่ามันต้องดีจริงๆนะมันอยู่ที่รู้หรือไม่รู้ต่างหากช่วงนี้กิเลสเยอะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านท่านว่าดีนะ พระเจ้าท่านว่าดีนะจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลดีไม่ใช่ไม่ดีนะเพราะจริงๆเราไม่ได้เอาดีเราเอาความสามารถที่จะเห็นตามความเป็นจริงนั้นมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสท่านว่าอย่างนี้ดีรเราไม่ได้เอาความดีไม่ได้เอาความสุขไม่ได้ความสงบขอบคุณครับกลับนาสการหลวงพ่อตัวจริงหรือตัวปลอม ตื่นเต้นค่ะมันเต้นเต้นเลยข่มไว้ตื่นเต้นไม่เป็นไรแต่กลัวจะเต่นเต้นแล้วบังคับไว้อันนี้แทรกแซงอ้าวว่ามันยก็ช่วงสามเดือนที่ผ่านมามันดูแย่ๆลงอะค่ะมันต่างจากสามเดือนแรกก่อนหน้านี้โอ้โหมันไม่เที่ยงแต่มันดูมัวลงชัดมากแล้วก็เห็นตัวเองไายกาดมากทุกเรื่องเลยอะค่ะบริกรรมไปเจริญเมตตาไป ช่วงนี้ทํทวัดเช้าแล้วปกติสวดมนต์จะไม่ไม่เคยเป็นอะไรนะค่ะแต่ว่าช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วมันสวดแล้วเหมือนหายใจไม่ทันนะเออนะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกที่ฟุ้งก็ไม่ใช่เราฟุง้งกราบนวัดสักพ่อเ จ, อจา้าค่ะมีสภาวะธรรมเลยต้องมากราบเรียนให้หลวงพ่อทราบเมื่อประมาณส3งสาเดือนที่แล้วเนี่ย เออจิตมันไปเห็นกายอ่ะทุกทุกทุกมากแต่ว่ายังไม่มากพอมาเดือนเดือนเป็นเดือนนะเจ้าค่ะเห็นแล้วก็รู้ทันไปออกแ ต, ต, ต, ต่ต่อมาเนี่ยเมื่อต้อนเดือนที่แล้วเนี่ยมันทุกมากโอ้โหสาหัสเลยเพราะมันไปเห็นทุกขั้นตอนออแล้วก็ทุกแทบจะทนไม่ได้จนมีความรู้สึกว่าอยากจะเฟี้ยงทิ้งเจ้าคะ่ะตอนนี้ พอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ทำปกติภาวนาไปปกติเลยเหมือนที่หลวงพ่อสอนก็เดินจงกรมไปเดินจงกรมมาอย่งนั้นแหละอยู่ในครัวอ้าวนี่มาเกิดรู้ขึ้นมาอ้าวนี่จิตเขาเข้าไปยึดไปคุกอยู่ในนั้นอ่ะเราไม่รู้ mm hmm. มันถึงได้ทุกสาหัสมากค mm hmm. ืออยากจะเฟี่ยงทิง้งพ mm hmm. อจากนั้นก็เห็นจิตยิ้มเห็นเห็นมันเลี้ยวกลับค่ะ เหมือนว่าความรู้สึกเนี่ยเลี้ยวกับเมื่อรู้ความจริงตรงนี้เนี่ยเลี้ยวกับมาเลยว่าอ้าวพอร้องอ้าวโอ้โถเอ้ยพอพอเห็นตรงนี้พุ๊บนี่อย่างนี้ใช้ได้โถเอ้ยนี่ยพ อ, พอเห็นตรงนี้โอ้ตายแล้วโถเอ้ยอยู่แค่นี้เองน <ะ S 2> เนาะโง่ซะได้เนาะที่เป็นตาตัวเองเลยนะอของง่ายหายไปเลยตอนนี้ก็เป็นปกติเกิดความเห็นเหมือนเดิมแต่ว่า ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปก็คือเห็นเป็นเป็ น, ปนอุเบกขาเหรอฮะ เ, เป็นธรรมดาเฉยเฉยได้แล้วขณะนี้จิตเนี่ยเฉยเฉยกับสภาวะที่ไปเห็นตรงนั้นจนทุกมากเลยสาหัสเลยเจ้าค่ะไปดูอีกไปเจ้าค่ะส่งกันบ้านในรอบหลายปีนะครับหลวงพ่อ มีข้อสงสัยสองข้อมีข้อที่จะเล่าหนึ่งข้อครับอืไม่เล่าข้อนึ่งอ้าว่า ม, มาข้อข้อแรกครับอยากอยากจะถามครับว่าวันหนึ่งมีวันหนึ่งครับตอนกลางวันฟังซีดีหลวงพ่อนะครับอืมแล้วก็ตอนก่อนนอนตอนกลางคืนนะครับก็นั่งสมาธิครับอืก่อนนอนพอตัวเองนอนแล้วเนี่ยครับ ก็ดูลมหายใจตัวเองก่อนที่ตัวเองยังไม่หลับนะครับดูไปดูไปแล้วก็หลับตาครับหลับตาจะหลับปรากฏว่าคราวนี้พอหลับตาไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดความรู้สึกที่ว่าร่างกายมันหายไปหมดเลยครับเหลือแต่ดวงจิตตัวเดียวแล้วตอนนั้นคือมันกลัวมากครับมันก็ลืมตาขึ้นมากลับมาอยู่ที่ตัวเองนะครับพอมันเบาลงปุ๊บก็หลับใหม่หลับใหม่ก็เป็นอีกครับ เราอยากจะถามว่าอาการอย่างนี้มันคืออะไรครับจิตเป็น <ลง S 2> รวมเข้าสมาธิไม่สมาธินะรวมแล้วเหลือแต่จิตันเดียวร่างกายไม่มีเราก็จะถอยออกมาแล้วเราจะรู้ได้ชัดเลยว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันกันร่างกายหายไปหมดแล้วจิตอยู่ตากคือมันเป็นอารมณ์แบบว่าพอเห็นเป็นงั้นปุ๊บกระทบแรงมากคือมันกลัวมากครับมันรักตัวเองแรงที่จริงจิตมันรวมเท่านั้น นี่พอ ร, รวมแล้วเราตกใจเพราะเรารักร่างกายมากหัดบ่อยๆหน่อยๆก็ชินครับเวลาจิตรวมลงไปร่างกายหายครับข้อข้อที่สองครับคือวันหนึ่งฟังซีหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อฟังเห็นถึงตอนที่หลวงพ่อพูดถึงความความเป็นกลางครับที่ว่าไม่ไม่ไม่ผมไม่แน่ใจว่าตอนไหนแต่ผมฟังแล้วที่หลวงพ่อเคยเทศว่า พู้พระเจ้าไม่ได้สอนให้ให้เรากดข่มอารมณ์นั้นไว้ไม่ให้มันหายอยางี้ครับตอนนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับหลวงพ่อก็แล้ววันหนึง่งเมื่อเร็วๆนี้เองครับแม่แม่ทะเลาะกับน้องครับทะเลาะกับน้องแล้วก็ตอนนั้นผมไม่อยู่ครับไม่อยู่บ้านกลับมาก็แม่ก็คุยด้วยครับแม่ก็มาคุยด้วยถามนู่นถามนี่มาคุยด้วยว่ามันเป็นยังไงทาไมเป็นอย่างนี้เพราะว่า คือผมปฏิบัติแล้วก็อยากให้แม่ปฏิบัติด้วยครับก็เอาซีดีหลวงพ่อให้แม่ฟังด้วยอืแม่ก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติบ้างแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรก็คอยถามแม่บ่อยๆครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนึงแม่ก็มาเล่าให้ฟังฮะว่าแม่เหมือนจะไม่สบายว่าแม่เหมือนจะไม่สบายแล้วก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์มากเลยครับกับอาการที่เป็นแม่โอกระดูใจตัวเองไม่เห็นเลยอะไรอย่างนี้ครับดูใจตัวเองไม่เห็นเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้มันหายทำไมมันไม่หายไปสักทีอย่างเงี้ยครับ แล้วก็แม่ก็ถามมาตอนนั้นมันเป็นอะไรไม่รู้ครับหลวงพ่อมันเป็นมันไม่ใช่ความจําหรืออะไรครับมันเป็นอาการของใจที่มันรู้ว่าจะต้องอธิบายกับแม่อย่างไะครับแล้วก็พออธิบายกับแม่ไปปุ๊บถึงเรื่องความเป็นกลางครับคือก่อนนั้นไม่เคยเข้าใจครับหลวงพ่อพอพออธิบายแม่ปุ๊บรู้สึกว่ามันมันเข้าใจขึ้นมาโดยฉับพันตรงนั้นเลยฮะอย่างนั้นแหละเวลาที่พระเจ้าท่านสอนนะบางคนเนี่ยบรรลุโสดาหรือบรรลุพระอรหันต์อะไรนะ ในขณะฟังธรรมก็มีนะในขณะแสดงธรรมก็มีนะมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาแต่ว่าต้องระมัดระวังคือเราจะไม่ไม่เพลิดเลินในการที่ไปสอนเรื่อยๆนะถ้าอย่างนั้นจะเป็นมิปัตสูแล้วการเข้าใจแบบนี้นี่ถูกไหมครับถูกถูกถูกนะฮะ<อ>แล้วก็มีวันนั้นคุยหลายเรื่องครับก็มีเข้าใจเรื่องกรรมอีกฮะพูดๆไปก็เออรู้สึกเก็ตกับ ต้องระวังนะใจมันชักชอบพูดแล้วใจมันชักชอบพูดธรรมะะครับต้องระวังตัวนี้นะครับไม่งั้นจะครอบเราต่อไปเจอใครก็พูดตลอดเลยครับเพื่อเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจข้อสุดท้ายครับหลวงพ่อครับก็วันนี้จะมาอยากมาขอคมาหลวงพ่อด้วยไหมครับถ้าเกิดเคยแบบรู้สึกว่าเรื่งเคยมีความคิดเนี้ยครับร่วงเกินลงไปครับขอขมาหลวงพ่อด้วยนะรับทราบนะ แล้วก็ขอขอบคุณหลวงพ่อมากครับเพราะว่ารู้เลยว่ามันได้ผลกับชีวิตตัวเองจริงๆครับได้สิไม่ได้จะสอนทาไมอ่ะมีมีวันหนึ่งครับขับรถกลับบ้านครับขับรถกลับบ้านแล้ววันนั้นลมแรงมากครับฝนตกขับรถกลับบ้านกำลังเลี้ยวเข้าซอยกลับบ้านเนี่ยครับกิ่งไม้มันล่วงมาโดนใส่หมวกกันน็อกตัวเองตกใจมากครับตอนนั้นรู้ว่าตัวเองตกใจมากปุ๊บ มันดึงกลับเข้ามาที่ลมหายใจของตัวเองเองเลยครับตอนที่ขี่รถไปพอดึงกลับไม่ลมหายใจปุ๊บมาดูดูมันก็มาเห็นจิตตัวเองว่ามันกลัวขึ้นมาครับอเห็นมันผุดเหมือนกับฟองน้ําผุดขึ้นมาจากน้ําเลยครับมันบุดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเป็นเห็นเห็นว่าเป็นอย่างนั้นนะครับใช่มันดึงเข้ามาที่ลมหายใจเองเลยรู้สึกว่าคือคิดตอนนั้นคิดว่าเออถ้าเกิดกิ่งไม้หลงใส่ตายก็ตายตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่า มันมันใช้ในยามคับขันได้จริงๆครับหลวงพ่อได้สิ<ๆ>ไม่ได้จะสอนทำไมลนะ่ะ <c oughs> ขอบพระคุณมากครับหลงวงพ่อครับที่เอามาสอนนี่นะสอนด้วยความมั่นใจนะทดสอบมาแล้วว่าถือได้มาเล่าให้ฟังไม่ได้เดาเาเลยนะการหลวงพ่อครับผมขออนุญาตมาส่งกันบ้านในรอบปีเสรศษๆครับคราวที่แล้วอหลวงพ่อให้ไปทําในรูปแบบทุกวันแล้วก็ เห็นจิตใ จ, จที่ไหลไปคิดไป <ๆ S 2> ก็ให้รู้ครับก็ปฏิบัติทุกวันนะครับพยายามทําอย่างสม่ำเสมอกอ็ได้รู้สึกว่าความรู้สึกรู้ตัวได้มากขึ้นมากมากขึ้นกว่าเดิมมากเลยครับแต่ในในลักษณะของการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยนานๆจะเห็นสักครั้งคือคตัวปัญญานะนานๆเกิดทีไม่เกิดตลอดนะที่เราว่าทำมิปัสนาอะไรเนี่ย ส่วนใหญ่มันจะเป็นสมถะคือเราจะรู้สภาวะไปได้วยเห็นรูปธรรมนามธรรมอันนี้ยังเป็นสมถะ น, นานๆจะเห็นใจ ล, ลักษ์ทีหนึง่งนะเพราะปัญญาไม่ได้เกิดตลอดเวลาล่เาะเราเจริญสติอย่างนี้แหละเราตามรู้ตามดูถ้ามันพอนะตอนที่ปัญญาเกิดบานทีตัดเลยนะถูกแล้วล่ะถ้าปัญญาเกิดตลอดเวลาไม่ใช่ของจริงนะนัคิดเอาละ ร, รู้สึกไหมว่าใจเราไม่เหมือนเดิม น เ, นเดนดี่เราเปลี่ยนเรารู้ตัวของเราดีแล้วล่ะครับอย่างกรณีที่เห็นการเกิดดับเนี่ยเราเห็นขณะที่ที่เขาดับเลยไหมครับหรือว่าดับแล้วถึงเห็นครับถ้าถ้าเป็นรู ป, ปรธรรมเนี่ยเห็นปัจจุบันนะถ้าเป็นนามรธรรมนะเราเห็นว่ามันดับแล้วนะครับเห็นเห็นตามหลังจ้ะครับตามหลังครับนะ กับนมั ส, สการครับหลวงพ่อขออนุญาตส่งกันบ้านบ้างครับ mm hmm. อ, อทํำในรูปแบบตอนเช้าทุกวันครับแต่ว่าความรู้สึกของใจที่มันรู้เนะี่ยมันรู้เหมือนลอยๆครับมันเป็นไงรู้ลอยๆมันเหมือนรู้แบบไม่ไม่ชัดนะครับเอาไม่ต้องชัดนะจงใจชัดมากก็ไม่ดีหรอกรู้เท่าที่รู้ได้นะครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างไม่เป็นไรนะชัดกลิบตลอดเวลานี้เพ่งแน่นอนเลย สังเกตไหมว่าใจตอนนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันะครับใจมันโปร่งโล่งเบานะเพราะงั้นมันจะเห็นธาตุเห็นขันทํางานเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกมันจะเห็นชัดตอนตอนนอนเพราะงั้นก็นอนบ่อยๆผมว่าผมมยังไม่หลับแต่ว่ามันได้ยินเสียงกลนะฮะแต่ว่าใจมันก็โดดเด่นขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละร่างกายกลวนครอกเลยนะครับใจมันอยู่ต่างห่างใช่ได้ต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมครับห้ามไม่ได้หรอกมันจะกลนัว เราก็ดูไปเรื่อยๆนะอยู่ในชีวิตนี้รู้สึกบ่อยๆถ้ามันไม่มีอารมณ์ที่แรงพอนะก็เหมือนกับไม่ค่อยจะมีอะไรให้รู้ถ้ามีอารมณ์ที่แรงมากระทบมันก็เด่นที่มันดูได้ง่ายอย่างถ้าอยู่เฉยๆวันๆไม่ค่อยกระทบอะไรนะก็จะรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรให้ดูเลยรู้สึกมันเบาไปขอบคุณครับน้ำมันสการหลวงพ่อครับ เ, เมื่อเราฝึกจิตจนได้จิตเป็นคือว่าประพัฒสอนคือว่าจิตสงบแล้ว อ, อครับรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกเฉยๆต่อสิ่งภายนอกมากขึ้น เ, เราควรปฏิจะยังไงต่อไปครับเราถูกกายนะเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะใจเราเป็นคนดูสบายๆไปได้วยจะเดินปัญญาต่อจิตประพัฒสอนไม่ใช่ของดีอะไรหรอกเพราะมันซ่อนกิเลสไว้มันใสสว่างนะ แต่ว่ามันแฝงกิเลสอยู่มันเหมือนน้าใสน้ําใสอาจจะไม่สะอาด จ, จริงก็ได้มีเชื้อโรคจิตพระพัฒสอนด้วยอํานาจของสมาธิเราจะมาฝึกเจริญปัญญาต่อเห็นร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดูอะไรอย่างเงี้ยพอปัญญาแก่กล้าแล้วนะจิตจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญานะบริสุทธิ์กับพระพัฒสอนเนี่ยจะต่างกันพรนะพัฒสอนนี่มีสมาธิเขาพระพัฒสอนละเพราะฉนั้นต่อไปนี้ดูกายดูใจทํางานบ่อยๆนะ เช่นเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายะดูไปเรือยอารมณ์เปลี่ยนเร็วรู้สึกไหมครับรู้สึกครับนะความรู้สึกเราเปลี่ยนเร็วเราก็รู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปรู้ไปอย่างสบายๆรู้ด้วยใจที่สบายๆนี่แหละใจประพัดสอนนี่แหละใจมีสมาธิก็สว่างสวัยสบา ย, บายแล้วเราไม่อยู่กับความสบายนะ เอาใจที่สบายเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปดูกายดูใจมันทงานไปเรื่อยดูเรื่อยใจที่สบายสบายนะฝึกเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับกราบนรศการครับหลวงพ่อครับขออนุญาตถวายรายงานการปฏิบัติครับหลวงพ่ อ, อ, อจิอจจิตวัตรระหว่างวันก็ยังคงปฏิบัติไปเหมือนปกติครับเพียงแต่ช่วงเช้าที่เรานั่งสมาธิ น, ะ, นะครับหลวงพ่อทำไมรู้สึกว่าก่อนนั่งกันหลังนั่งนี่สภาวะจิตมัน แต่ก่อนมันมันรู้สึกมันแตกต่างว่าอันนี้นั่งแล้วอันนี้ยังไม่นั่งอะไรเนี่ยนะครับแต่ทําไมช่วงนี้รู้สึกว่ามันกลายเป็นแบบเหมือนเหมือนกันก่อนนั่งกัะหลังนั่งภาวะจดิตเหมือนกันเลยครับสมาธิเราดีขึ้นมัน้งครับมันไม่ําเพียนว่านั่งแล้วมันถึงจะดีครับก็ฝึกเรื่อยๆต่อไปมันเสมอกันนะครับแล้วก็ในระหว่างวันนี่ก็ ก็เห็นความละเอียดถงของกิเลสที่มันมันเกิดขึ้นในทุกสภาวะจิตที่มันขยับเคลื่อนไหวอะครับเห็นได้ดีขึ้นครับดีแล้วล่ะนะพรับกิเลสมันจะซ่อนนะแฝงอะแฝงมาบงการพฤติกรรมเราแทบทุกการขยับของจิตใช่ใช่กระทั่งสอนกรรมฐานนะไอ้ตัวร้ายนี่แหละหลอกเราเรารู้ทันมันครับดีแล้วล่ะครับและโดยดูมากในช่วงเยาวันก็ช่วงนี้จิตมันเตินปัญญาเยอะขึ้นเยอะเลยครับใช้ได้ครับ ส่วนมากจะเห็นอนัตตาครับหลวงพอ่อนั่นแหละจิตเป็นเดินปัญญาแล้วครับแล้วก็ส่วนในการทําความสงบของจิตนี่ยังคงทําไม่ค่อยได้ครับโดยมากจะอาศัยตอนที่มันหมดแรงแล้วมันก็หลบเข้าไปลักษณะเป็นแบบเหมือนกะหลับแต่ไม่หลับเพียงแต่ ว, ว่ามันเห็นอาการที่มันหลดเข้าเป็นนิ่งแล้วก็การฟังยังเห็น ย, ยังได้ยินเสียงแต่สัญญามันไม่แปลว่าได้ยินอะไรครับผมไอ้นั่นมันหมดแรงครับผมจะ ต, ต้องซ้อมนะ จะสงบไม่สงบก็ต้องซ้อมทุกวันเนหละดีก็อาศัยการทําในรูปแบบไปอย่างนี้ทุกวันนะครับหพรูปแบบต้องทํานะจนกระทั้งเราชํานาญนึกจะสงบเราก็สงบเลยฝึกสมาธิให้อัตโนมัติเลยใจมันโลภเขาเริ่มรู้สึกว่ามันได้ผลน้อยเงนี้ยลวงพ่อให้รู้ว่ามันโลภมันได้เท่าที่ทำแหละพนดีแล้วสมาธิมีเยอะนะสมาธิหลากหลายสมาธิที่ใช้ อารมณ์บัญญัติเห็นคำบริกรรมก็มีสมาธิเพ่งรูปก็มีสมาธิเพ่งนามก็มีนะสมาธิที่มันเพิกออกจากรูปจากนามก็มีนะสมาธิที่ดับจิตลงไปเลยก็มีนะมีสมาธิมีทั้งเยอะเลยสนุกอะแล้วแต่ละอันแต่ละอันนะัแยกย่อยออกไปได้เยอะเลยเนะมตตาสมาบัติสุญญาตาสมาบัติอะไรเงี้ยนะกรุณาสมาบัติอนะไรเนี่ยมีแตกออกไปได้เยอะ เอาไว้ได้ธรรมะแล้วเราค่อยไปเล่นให้สนุกสนานนะไม่มีภาระอะไรแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยกาบนบมัสการหลวงพ่อค่ะขออนุญาตส่งการบ้านนะคะก็เมื่อปีที่แล้วอะคะ่ะก็จะยังติดเพ่งแล้วก็เกรงมากอะคะ่ะก็เลยมีกอ่าก็ได้คำแนะนำจากกัลยะาณมิตร กระยาญนิมิตรืเปล่าแนะนำด้วยค่ะก็เริ่มปฏิบัติไปเพราะว่าคือเพ่งมากจนกระทั่งปวดหัวแล้วก็เหมือนตั้งใจมากค่ะก็เหลือก็แต่พยายามเหลือแค่อาราธนาศีลจนกระทั่งช่วงหลังนี้ได้กลับมาปฏิบัติประมาณสามสเดือนนะคะก็ได้คำแนะนำจากกระยาญนิมิตหลายๆท่านค่ะก็รู้สึกว่าพอกลับมาปฏิบัติแล้วเราก็ ตั้งใจเนอะเหมือนเขาเรียกว่าพยายามน้อยลงแล้วก็เหมือนเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็ทุกไม่ได้มีกับความคาดหวังมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าการการปฏิบัติกับ ป, ปกติเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันไม่ได้แยกจากกันเยอะออก็เลยอยากกราบขอคือถ้าเราพาวเป็นนะตลอดชีวิตเราที่ใช้ชีวิตอยู่เนีานา่ยคือการปฏิบัตินะไม่แยกส่วนหรอก ยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดกับเวลานอนหลับเท่านะั้นแหละจเวลาที่เหลือนี่คือการปฏิบัติทั้งหมดเลยนะฝึกเล่นๆทําเล่นๆ น, น, นะก็อยากกลับขอคําแนะนําจากหลวงพ่อนี่ไงแนะนำแน้ะนะทําเล่นๆยังเล่นไม่พอได้คะ่ะธรรชาิการค่ะหลวงพ่อครับ เราจะเราจะเช็คตัวเองไนดะ้ยังไงคะว่าเราไม่พักแล้วก็ไม่เพียร น, นะคะตรงไหนคือจุดที่ไม่พักและไม่เพียรคือถ้าพักอยู่ก็คือลืมเนื้อลืมตัวถ้าเพียรอยู่ก็ควบคุมตัวเองบังคับตัวเองเคร่งเครียดถ้าใจแน่นๆนีนกน่ก็แสดงว่าเพียรอยู่ถ้าลืมตัวลืมกายลืมใจนี่พักอยู่ไม่พักไม่เพียรก็รู้เนื้อรู้ตัวไปเห็นกายเห็นใจทางานไปของคุณอย่าคิดเยอะ แสดงว่าที่เราปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่ก็คือทำในระดับที่สบายสบายสบายแต่ไม่ขี้เกียจนะสบายไม่ใช่สบายสบายพลืนไปเลยนะสบายเห็นกายเห็นใจทํางานไปดูไปสบายสบายเหมือนดูคนอื่นแต่ไม่ลืมมันนะ<ช>รู้ว่ามันไปเรื่อยๆถ้าไปบังคับมันนก็ตึงไปถ้าลืมมันก็หย่อนไปนทางสายกลางก็คือเห็นมันอย่างที่มันกําลังเป็นอยู่ คือถ้าในแต่ละวันเนี่ยเราเราได้ภาวนาคือมากบ้างน้อยบ้างนี่ก็คือเราอยู่ในจุดที่ไม่พักและไม่เพียรใช่ไหมคะเมื่อไหร่ตั้งใจภาวนานะเมื่อนั้นเพียรอยู่เมื่อไหร่ลืมการภาวนาเมื่อนั้นพักอยู่งนั้นทั้งวันเนี่ยทั้งพักทั้งเพียรแหละถ้ารู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นอยู่นะไม่พักไม่เพียรนะขอบพระคุณค่ะเอาเชิญกลับบ้าน